แถวนี้ผีดุเปรตจอมปลวกผู้หิวโหยสวัสดีครับทีมงานแถวนี้ผีดุผมชื่อในอำนาจอายุ29ปีอยากจะแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์สยองที่เกิดกับตัวผมเองเมื่อต้นปี 2,559 นี้เองครับตัวผมเองเป็นคนอีสานมาแต่กำเนิดผู้คนในละแวกนี้ไม่จะเชื่อเรื่องผู้ผีปีศาจกันเป็นส่วนมาก แต่สำหรับผมแล้วไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะัแม้บางครั้งอาจจะฝันเห็นผีเห็นสางบ้างแต่ก็ไม่รู้สึกกลัวอะไรถึงมันจะมีอยู่จริงๆผมก็ไม่ได้สนใจจนมาต้นปี2559ที่ผมได้ประสบพบเจอกับเรื่องผีผีด้วยตนเองมันไม่ใช่ผีธรรมดาด้วยสิครับแต่มันคือผีเปรตผู้คนในหมู่บ้านมักจะเชื่อกันว่าคนที่ตายไปแล้วไม่มีบุญไม่มีกุศลติดตัว และยังทําความชั่วจนเป็นนิสัยจะทําให้ไปเกิดเป็นเปรตแต่โดยส่วนมากเปรตที่เห็นเห็นกันมักจะมีอายุเป็นร้อยเป็นพันปีส่วนรูปร่างของเปรตก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามประเภทของเปรตบ้างก็ตัวสูงใหญ่เท่าต้นมะพร้าวปากเท่ารูเข็มมือใหญ่เท่าใบตาลบ้างก็ตัวดําเป็นตอตะโกแต่ตัวไม่สูงมากพุงโลมีความหิวโหวยอาหารตลอดเวลามักจะมาขออาหารคนกินหรือมาขอส่วนบุญในตอนกลางคืน คนเฒ่าคนแก่มักจะเล่าเรื่องราวของเปรตให้ผมฟังตั้งแต่ยังเด็กแม้ว่าผมจะไม่ใช่คนรุ่นใหม่แต่ก็ยังไม่ค่อยเชื่อเพราะไม่เคยเห็นกับตาตัวเองกระทั่งวันหนึ่งเมื่อต้นปี2559หลังจากที่ผมไปทำสวนตามปกติในช่วงเช้าพอถึงช่วงเย็นก็กลับมาบ้านซึ่งบ้านของผมนั้นเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวมีตุนโล่งๆเหมือนบ้านโบราณทั่วไปวันนี้ผมรู้สึกเหนื่อยและเพลียมากจึงอยากข้นอนแต่หัวค่ำ จึงรีบอาบน้ำกินข้าวแล้วก็เข้านอนเป็นเวลาประมาณสองทุ่มระหว่างที่ผมเดินขึ้นบันไดกลิ่นเหม็นสาบคล้ายกับซากสัตว์ตายโชยมาผมรู้สึกว่ากลิ่นนั้นมันอยู่ตรงบริเวณบันไดจึงกวาดสายตามองหาจนทั่วแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีสัตว์อะไรมาตายอยู่บริเวณนี้อีกใจหนึ่งก็คิดว่ามันอาจจะมาจากบริเวณใกล้ๆ ก, ก, กับบ้านไว้เช้าค่อยมาหาใหม่แล้วกันเพราะตอนนี้ง่วงเต็มทีแล้ว วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนผมจึงอมุ้งครอบมากลางนอนตรงชาหน้าบ้านซึ่งใกล้ๆกับหัวบันไดบ้านนั่นเองแล้วจัดแจงปูที่นอนจนเสร็จเรียบร้อยจากนั้นจึงเข้านอนตามปกติระหว่างที่หลับไปได้สักพักไม่น่าจะเกินสิบนาทีผมรู้สึกได้กลิ่นเหม็นสาบรุนแรงขึ้นก็พยายามจะลืมตาดูแต่ก็ไม่สามารถลืมได้เต็มที่รู้สึกหนักนกเหมือนอาการที่เขาเรียกว่าผีอำ มันลืมตาได้ครึ่งเดียวเท่านั้นประกอบกับตำแหน่งที่นอนทำให้เห็นตรงหัวบันไดพอดีเห็นใครบางคนนั่งหันหลังให้แต่ไฟในบ้านถูกปิดจนหมดเหลือเพียงแต่แสงไฟจากบ้านข้างๆที่ส่องมาสลัวๆทำให้เห็นไม่ชัดนักรู้แค่ว่ามีคนมานั่งอยู่หัวบันไดบ้านลักษณะผอมและสูงผิดปกติผิวดำเหมือนถูกไฟไหม้ผมยาวกระเซิงถึงก้นตอนแรกผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นคนบ้า หรือจรผู้ร้ายที่เข้ามาขโมยของในบ้านผมพยายามจะลืมตาขึ้นและพยายามจะลุกขึ้นเท่าไรแต่มันก็ไม่เป็นผลรู้สึกใจคอไม่ดีเพราะเกรงว่าหากมันเข้ามาแล้วทำร้ายผมผมจะมีทางสู้ได้ยังไงจึงตัดสินใจร้องออกไปเพื่อให้คนข้างบ้านมาช่วยเพราะผมอยู่บ้านเพียงคนเดียวแต่แล้วก็ร้องไม่ออกผมรู้สึกแย่มากๆและหวาดวิตกมากแต่พยายามตั้งสติแล้วร้องอีกครั้งแต่ก็ไม่เป็นผล ระหว่างนั่นเองร่างของคนคนนั้นก็เริ่มขยับและเคลื่อนไหวเขาลุกขึ้นมาจากหัวบันไดบ้านตรงเข้ามาหาผมที่นอนอยู่คราวนี้ภาพมันชัดขึ้นเรื่อยๆรื่อตัวมันสูงจนเกือบติดกับหลังคาบ้านพร้อมเหลือแต่กระดูแขนขายาวเก้งก้างตัวดำเหมือนถ่านไม่ใส่เสื้อผ้าผมของมันยาวปิดก้นมันมาพร้อมกับกลิ่นเหม็นสาบที่คลั่กคลุ้งไปทั่วผมตกใจกลัวสุดขีดตัวเริ่มร้อนเหงื่อเริ่มไหล เพราะมันค่อยๆ ย, ย่างกลายเข้ามาผมพยายามร้องจนสุดเสียงอีกครั้งคราวนี้นับว่าได้ผลเพราะแม้ว่าผมจะร้องไม่ออกแต่มันก็ทำให้ผมหายจากอาการที่เขาเรียกกันว่าผีอาผมลืมตาได้อย่างเต็มที่แต่ภาพนั้นยังไม่หายไปร่างประหลาดมันหยุดอยู่กับที่ไม่เข้ามาใกล้มากกว่านี้น่าจะห่างจากตัวผมประมาณสัก5้าก้าวผมมองเห็นแต่ร่างกายของมันที่ผอมสูงและดาสนิทแต่ไม่เห็นใบหน้าที่ชัดเจน เหมือนมันดำเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดตอนนั้นผมรู้แล้วว่ามันไม่ใช่คนแน่ๆมันครจะเป็นผีเปรตอย่างที่คนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังตัวผมสั่นไปหมดได้แต่นอนนิ่งทำอะไรไม่ถูกใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะสักพักมันก็ยื่นแขนออกมาสองแขนพร้อมกันในลักษณะหงายฝ่ามือขึ้นแล้วพูดว่าขอข้าวกินหน่อยิ <You. S 2> เสียงนั้นทั้งหน้าเวทนาและหน้ากลัวผมไม่รู้จะตอบไปยังไงเพราะตอนนั้นกลัวจนเกือบขาดสติไปแล้วมันก็เลยพูดออกมาอีกเป็นประโยคเดียวคือขอข้าวกินหน่อยหิวหิวผมพูดด้วยน้ําเสียงสันส่นๆว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะเอาไปให้มึงกินสักพักผีเปรตตอนนั้นก็ได้หายไป มันหายไปกับตาเลยครับไม่ได้เดินลงบันไดแต่หายวับไปทันทีที่ผมรับปากมันคงไม่ต้องคิดว่าคืนนั้นผมรู้สึกยังไงนอกจากตัวสัน่นกลัวและนอนไม่หลับเพราะภาพมันติดตาจริงๆครับดีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมไม่เห็นหน้าตาของมันไม่อย่างนั้นป่านนี้คงจะเป็นบ้าเสียสติไปแล้วเช้าวันต่อมาผมไม่รอช้ารีบไปปรึกษาคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านและได้ความว่า ทางเดินระหว่างที่จะไปถึงสวนของผมนั้นมีจอมปลวกเก่าๆอยู่เชื่อกันว่ามีเปรตตนหนึ่งอายุหลายร้อยปีอาศัยอยู่ในจอมปลวกมันจะตามมาขอกินอาหารกับคนที่เดินผ่านไปมาที่ผ่านมาก็มีคนเคยโดนแบบผมมาแล้วแต่ผมก็คิดว่าพวกเขาคงคิดกันไปเองหรืออัดฝันไปมากกว่าไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเองคนเฒ่าคนแก่นแนะนำให้เอาก้อนข้าวเหนียวก้อนใหญ่ๆสักก้อนและน้าใส่แก้วให้เต็มไปวางไว้ที่หน้าจอมปลวกจุดทูบหนึ่งดอก และบอกให้เปรตมากินอาหารและให้ผมไม่ทำสังฆทานให้เปรตเพราะการทำบุญเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วผมจัดแจงเอาข้าวเหนียวและน้ำพร้อมทูบหนึ่งดอกแล้วก็ชวนเพื่อนบ้านไปเป็นเพื่อนด้วยหลายคนเพราะยังกลัวอยู่ผมเอาข้าวไปวางไว้หน้าจอมปลวกเล็กๆมันเป็นจอมปลวกเก่าๆที่ผมเห็นมานานแล้วตั้งแต่มาทำสวนตอนหนุ่มๆและได้ยินกิตติศัพท์ร่ำลือมากมายว่ามีผีเปรตอยู่ตรงนี้ แต่ตอนนั้นผมไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าชาวบ้านคงคิดกันไปเองแต่พอมาเจอกับตัวเข้าถึงได้รู้ผมจุดทูบเรียกเปรตให้มากินข้าวเชื่อไหมครับว่ากลิ่นสาบๆเหมือนกับที่ได้กลิ่นเมื่อคืนนี้มันโชยพัดมาอย่างแรงจนเพื่อนๆที่ไปด้วยหลายคนต่างอุทานออกมาว่าเหม็นสาบมากแต่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรกลัวว่าพวกเขาจะตกใจกลัวจนเตลิดเปิดเปิงไปก่อนขณะเดียวกันก็มีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่ง พูดเล่นๆออกมาว่าน่าจะขอหวยกับเปรดบ้างนะแล้วมันก็หัวเราะคิกคักกับเพื่อนอีกคนจนผมต้องเอ็ดมันไปเพราะเกรงว่าถ้าไปล้อเล่นมากๆอาจจะเจอดีพอทำเสร็จแล้วพวกเราจรึงเดินทางไปทำสังฆทานที่วัดเจาะจงให้กับเปรดโดยเฉพาะเมื่อเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วผมก็รู้สึกสบายใจขึ้นแต่ยังไม่หายกลัวเพราะเจอเข้าเต็มๆแบบนั้นคงนอนไม่หลับไปอีกหลายวัน ตกกลางคืนต่างก็มีเพื่อนบ้านหลายคนมาหาผมที่บ้านและซักถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะเจอเปรตตนนี้เป็นระยะระยะมักจะตามคนที่เดินทางไปไร่ไปสวนและผ่านจอมปลวกเป็นประจำมันจะเลือกเฉพาะคนที่มีอาการเหนื่อยร่างกายอ่อนล้าจิตตกหรือดวงไม่ดีเพราะมันจะสามารถทาให้คนพวกนั้นเห็นมันได้ง่ายและให้ทราบว่ามันต้องการอะไรเพื่อนบ้านมาคุยกันอยู่พักใหญ่ พอตกดึกก็พายกันแยกย้ายกลับไปเหลือแต่เพียงเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันที่ผมให้พวกมันมานอนด้วยแต่คืนนี้แม้อากาศจะร้อนสักเท่าไหร่แต่ก็ขอนอนในห้องดีกว่าไม่นอนตรงชานหน้าบ้านอีกแล้วเพราะผมกลัวว่าจะเจอเปรตตรงบันไดอีกคืนนั้นส่วนตัวผมเองแม้จะหลับหลับตื่นตื่นแต่ก็ไม่พบเหตุการณ์ประหลาดอะไรแต่สักพักผมก็ได้ยินเสียงเพื่อนมลเมอพูดขึ้นมา เสียงนั้นตะวาดลั่นว่ากูไม่เล่นอย่าเข้ามาใกล้กูมันลุกขึ้นมาแล้วหายใจแรงผมก็ตกใจแล้วถามว่าเป็นอะไรมันบอกว่ามันฝันว่ามันกำลังช่วยผมเอาข้าวไปให้เปรตตรงจอมปลวกสักพักเปรตตนนั้นเดินออกมาจากจอมปลวกตัวสูงผอมดำไปหมดผมยาวถึงก้นหน้าตาประหลาดแล้วยื่นมือมาหาเพื่อนผมพร้อมพูดว่าขอเล่นด้วยได้ไหมเพื่อนผมเลยตวาดใส ทั้งกลัวทั้งเกลียดตามที่มันละเมอรว่ากูไม่เล่นอย่าเข้ามาใกล้กูตัวมันเองเชื่อว่าอาจเป็นเพราะมันที่ล้อเล่นเมื่อตอนกลางวันว่าจะขอหวยกับเปรตจึงโดนเปรตมาหลอกหลอนในฝันในวันรุ่งขึ้นผมต้องพามันไปทําสังฆทานให้เปรตตอนนั้นอีกคราวนี้มันคงจะหลับจําและไม่อยากพูดเล่นอีกต่อไปจากเรื่องราวของเปรตจอมปลวกที่ผมเล่ามานี้ทําให้ผมเชื่อว่าผีมีจริง โลกหน้ามีจริงหากทำกรรมชั่วจะต้องตายกลายเป็นเปรตทุกทรมานหิวโหยอยู่นานหลายร้อยปีผมถามคนเฒ่าคนแก่ว่าทำไมถึงเกิดมาเป็นเปรตได้คำตอบว่าเพราะสมัยที่ยังมีชีวิตเป็นคนมักโลกอยากได้ของของคนอื่นชอบขอโมยของผู้อื่นที่ไม่ใช่ของตนเองพวกที่ตรณีถีเหนียวไม่ชอบทำบุญทำทานก็ทาให้เกิดมาเป็นเปรตได้หลังจากวันนั้น ผมจึงตั้งหน้าตั้งตาทำบุญให้ทานอย่างน้อยน้อยก็มั่นใส่บาทอยู่เป็นประจำไม่คิดโลภหรืออยากได้ของคนอื่นเพราะกลัวว่าตายแล้วจะต้องทุกทรมานหิวโหยอยู่เป็นร้อยๆอยปีเหมือนกับเปรตจอมปลวกที่ผมประสบพบเจอมานั่นแหละครับหากชอบโปรดกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ